สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ซึ่งโระเจของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห้าข้อที่สิบแปดจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห้าข้อที่สิบแปดจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดโปรดฟังโระเจของพระเจ้าอยาเมาเหล้าอางุ่นซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุ ด, ดีเพลงน้ำมศการเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญสดุ ด, ดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคติท่านอ่น้อพระธรรมเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปด นะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่าเมาเล่าอังุนซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณเราจะกลับมาถึงข้อนี้ครับที่พูดถึงเรื่องจงคําว่าจงนะครับคําว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิบายไปแล้วนะครับว่าก็คือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือจงเปี่ยมลน้น นะครับนี่คือคาสั่งครับจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับไม่ใช่คําแนะนำอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คําสนับสนุนที่อ่อนโยนนะครับไม่ใช่คําที่ขอร้องอย่างสุภาพแต่เป็นคําสั่งครับเป็นคําสั่งจากพระเยซูคริสต์มาถึงเราอย่างเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจครับหมายความว่าพระเจ้านั้นได้เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการที่เราจะต้องเปรี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงใช้คาว่าจง และเป็นลักษณะของคำสั่งในฐานะอัครทูตที่พระคลิปทรงเลือกสรรท่านอัครทูตเปาโลนั้นก็ได้เน้นครับว่าเรานั้นต้องรับผิดชอบเรื่องของการเปี่ยมล้นเราไม่ได้มีเสรีภาพในการที่จะเลือกหรือเลี่ยงที่จะรับมอบหน้าทีน่นี้เช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆครับยกอย่างเช่นจงพูดความจริงนะครับ จงมีใจเอ็นดูต่อกันจงให้อภัยกันหรือจงดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และในความรักจงเปลี่ยนรุนในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับก็ไม่ใช่ถังเลือกเพราะเป็นคําสั่งต้องทําครับเป็นหน้าที่จําเป็นครับพี่น้องที่เราจะต้องทําเราจะบอกว่าเอาหรือไม่เอาไม่ได้ครับนี่คือประการแรกสุดครับพอพูดถึงคําว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณ น, นะครับประเด็น วันนี้ก็มีสี่ข้อครับประเด็นแรกพูดไปแล้วนะครับก็คือจงความหมายของคำว่าจงประเด็นที่สองครับคำกริยานี้นั้นอยู่ในรูปผะหูพ์อยู่ในรูปผะหูพ์เช่นเดียวกับคำกริยาก่อนหน้านั้นซึ่งเราอ่านได้ความว่ายาเมาเล่าอางุนนะครับข้อห้ามและคำสั่งทั้งสองนี้เราพบในเวศัสบทเดียวกันนี่แหละครับข้อเดียวกันนี้ เอเฟซัสนะครับบทที่ห้าข้อสิบแปดเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดนั้นเขียนขึ้นมาเพื่อชุมนุมนคริสเตียนชุมชนคริสเตียนหรือคริสตจักรนี้นำไปปฏิบัติให้ได้เป็นสากลอย่าให้ใครในพวกเราดื่มเหล้าเราทุกคนควรเปลี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เน้นให้เห็นว่าการเปลี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมิใช่สิทธิพิเศษซึ่งจะงวนไว้สำหรับ คนบางคนแต่สงวนไว้สําหรับทุกคนที่เชื่อเช่นเดียวกับคําสั่งที่ให้รู้จักใช้สติปัญญาแลการควบคุมตัวเองคําสั่งที่ให้เบี่ยมล้นด้วยพระยามิสุดก็มอบหมายหน้าที่ถึงคนของพระเจ้าที่จะต้อง take action นะครับคนของพระเจ้าที่ต้องลุกขึ้นมาประกาศความรักความรอดของพระองค์ทุกชั่ววันไม่ว่าเราจะนั่งแท็กซี่เราก็ประกาศได้นะครับ ไม่ว่าที่ทํางานเราอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเปิดชีวิตของเขาในการที่จะให้เขารอคอยเพืรร่อนญาติสุดเรื่องของความสนใจทางเรื่องการรู้จักพระเจ้าวสิครับการเตรียมล้นด้วยพืยรร่อนญาติสุดนั้นไม่ใช่สิทธิทพิเศษที่สงวนไว้สาหรับบางคนแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเช่นเดียวกับคําสั่งที่สั่งให้รู้จักใช้สิปัญญา และควบคุมตัวเองเช่นเดียวกับคําสั่งที่เปี่ยมล้นให้เพื่อเพิ่มเยี่ยมสุดก็มอบหมายมาถึงคนของพระเจ้าทุกทุกคนครับพี่น้องทุกทุกคนพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเปี่ยมล้นนี้เพิ่มเยี่ยมเ บ, บี่ยมสุดทับนี่คือประเด็นที่สองประเด็นถัดไปประเด็นที่สามเราเห็นว่าคํากริยานี้อยู่ในรูปกรรมวาจกนะกรรมวาจกก็คือจงประกอบด้วยหมายถึงว่า ให้พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธินั้นเปี่ยมล้นอยู่ในตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ให้อทางคนที่ไม่เหมาะสมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นรูปของไวยากรณ์ที่พูดตรงนี้คํากริยานั้นอยู่ในรูปกรรมวาจกคือจงประกอบด้วยหมายความว่าให้บิญญาณบริสุทธิ์เปี่ยมล้นอยู่ในตัวท่านสภาพสําคัญในการชื่นชมการเปลี่ยมลน้น ด้วยพระวิญญาณก็คือยอมจำนนต่อพระองค์ไม่มีสิ่งใดยั้งไว้อย่างนั้นก็ตามเราต้องไม่จินตนานการว่าเราเป็นเพียงผู้รับการกระทําในการเปี่ยมร้่นด้พเพิ่มเยี่ยมเป็นสุดไม่ผิดอะไรกับการเมาเหล้าคนเมาเมาไม้โดยการดื่มแต่เราต้องอะไรครับต้องเปี่ยมรุ่นได้พเพิ่มเยี่ยมเป็นสุดโดยการดื่มเช่นกันนะครับการดื่มตรงนี้มีความหมายเราจะสามารถรู้จักคําสอนของพระเยซู ในยอห์นบทที่เจดข้อสามสิบเจ็ดชัดเจนครับเพี่อครับประเด็นที่สี่ทำกริยานี้อยู่ในรูปปัจจุบันอาการเราทราบดีแล้วครับนา ว, าน ว, านวานมาใ น, นภาษากรีกนั้นหากเป็นคำสั่งในรูปไม่จํากัดช่วงเวลาเจาะจงก็หมายถึงการกระทำเพียงครั้งเดียวก็พอแต่ในขณะที่เมื่อเป็นรูปปัจจุบันการกระทำนั้นสม่าเสมอนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้น ญ, ญาณต้องการให้เราทา นะครับทำต่อเนื่องนะครับคำสั่งที่ว่าจงเปลี่ยมล้นเพื่อเมีม่ยมสุดนั้นไม่ใช่หมายความถึงประสบการณ์ผู้ฟ้าหรือใช้เจตนารมบังคับนะฮะแต่ต้องเป็นการปรับปรุงให้งอกเงยงอกงามอยู่เสมอขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับให้เรามีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยประเด็นทั้งสี่ประเด็นนี้ผมขอแนะนานะครับ ประเด็นแรกที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าเป็นคําสั่งจากพระเจ้าให้เรามีชีวิต ท, ที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองก็คือการที่ทากริยานี้อยู่ในรูปพู้หุพจน์นะครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนครับไม่ใช่บางคนหรือไม่ใช่คนเดียวหรือสองคนแต่เราทุกคนต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประเด็นที่สามนะครับทากริยานี้อยู่ในรูป กรรมวาจกนะครับกรรมวาจบคืออะไรครับคือมีความหมายว่าให้พระวิญญายมบสุทธิ์เปลี่ยนล้นอยู่ในท่านสภาพสําคัญในการชื่นชมนะครับคือต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณและยอมจำนนครับการเปรี่ยนล้นในพรงวิญญาณสุทธิ์นั้นมีสภาพหรืออาการที่แสดงออกนะครับผมพูดไปหลายวันแล้วนะครับก็อยากจะสรุปด้วยคําคําเดียวคือยอมจำนน ครับยอมจำนนต่อพระองค์ยอมจำนนโดยไม่มีสิ่งใดยั้งไว้ได้นะครับเราเองอย่าไปคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้รับการกระทําในการเปี่ยมล้นในพระเงยรมสุดนะฮะนี้คือพระเงยริมสุดนั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นในชีวิตของเราเราจะต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นครับประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบทสรุปในวันนี้ ก็คือคำกริยานี้อยู่ในรูปปัจจุบันการนะครับปัจจุบันการซึ่งอะไรครับซึ่งต้องการการทำอย่างนั้นสม่ำเสมอครับทำอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนะครับกลายเป็นคำหนุนใจกลายเป็นการให้กำลังใจจงเปลี่ยมโดนี้เมีม่อวสุดมิใช่หมายความถึงประสบการณ์ผู้ฟ้านะครับ แต่เป็นประสบการณ์ลึกๆในใจอาจจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกหรือคนที่แสดงออกอาจจะเกิดความลิงโลดตื่นเต้นแต่คนอีกประเภทหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแต่เขารู้สึกมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในดวงใจของเขาก็คือความรักที่เขาไม่เคยมีมาก่อนความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีมาก่อนทีนี้ครับสิ่งเหล่านี้ครับจะดึงดูดทาให้วิญญาณที่หลงหายไปนั้น ได้กลับมารับความรอดคนผู้คนต่างๆที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นเขาจะเห็นความรักของเราและเขาจะมาเป็นคริเสเตียนเขายอมรับพระเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเราในวันนี้ที่เราจะเข้าใจทั้งสี่ประเด็นนี้อย่างท่องแท้อาเมน